ต่อไปก็ศึกษาประธรรมต่อในช่วงบ่ายนะช่วงเย็นแล้วก็ยังศึกษาความเป็นไปของสังสารวัฏแล้วก็เชื่อมโยงกับพุทธคุณนะจริงๆก็ดูพุทธคุณเพื่อจะเห็นสังสารวัฏนั่นเองก็มาพูดถึงในเรื่องของเวทนาสามเขาว่าคือสุขเวทนาดุกขเวทนาแล้วก็อุเบกขาเวทนาในเวทนาสามก็มีตามว่าผัสสะหารนะกาวริงกราหารนําอะไรมาให้ ก็คือว่ากัวริงการาหานภาษาหา ร, าหารมโนสัญเจตนาหารวิญญาณาหารในอาหารสี่อย่างกัวริงการาหานชีวหารก็รานามาซึ่งรูปมีโอชาเป็นที่แปดโอชัตถะมักะรูปรูปที่มีโอชาเป็นที่แปดมีจําบาลีไม่ได้ภาษาในชื่อวหารนําเวทนาสา ม, มาให้ถามว่าภาษาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยภาษานั้นเกิดในทางทวารทั้งหกใช่ไหมภาษาเกิดในจกักรทวารโสตทวารคานาทวารชิวหัทวานกายยะทวาร และก็มโนทวารในภรรษาที่เกิดทางทวาร น, นั่อถกเนี่ยภรรษาในแต่ละทวาร น, นําเวทนาสามมาให้หมดเลยพรรษาที่เกิดในจักขรทวารก็นําเวทนาสามมาให้จกักรพรรษาที่เกิดในโสตทวารพ า, านทวารชิวหาทวารและกายยะทวารเป็นต้นเหล่าเนี้ยรวนนําเวทนาสามมาให้เวทนาสามคูณกทวารหกจึงเป็นเวทนาสิบแปดเวทนาที่เกิดภายในขันธ์ตรงตนเองวินสิบปดเนาะ ที่เกิดในขันของบุคคลอื่นผ้าหิระขันภายนอกอีกสิบแปดรวมเป็นเวทนาสามสิบหกเวทนาที่เป็นปัจจุบันสาสิบหกที่เป็นอดีตสามสิหกที่เป็นอนาคตสามสิบหกยงกลายเป็นเวทนาร้อยแปดโดยอาการอย่างนี้และเวทนาร้อยแปดนะฉะนั้นทาไมต้องรอบรู้เวทนาขนาดนั้นเพราะเวทนาเป็นปัจจัยกัตัณหา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 วิญญาณก็เป็นวิบากเห็นไหมในส่วนของวิญญาณนามรูปสราเยตนาภาษาเวทนาห้าส่วนนี้เป็นวิบากแต่เป็นตัวสังสารวัตรที่เป็นวิบากที่เกิดมาจากตัวสังขารคือเจตนากรรมในอดีตทั้งนั้นเลอจะพูดไปเวทนานั้นก็เป็นสังขารเป็นไปในส่วนของกรรมเห็นไหมเป็นส่วนของกรรม ตัวเจตัวสังขารนี่เป็นเป็นในส่วนของมโนเนี่ยมโนสัญเจตนาหารนั่นเองที่จริงตัวมโนสัญเจตนาหารนี่เขานำอะไรเขานำปฏิสนธิวิญญาณเขานำปฏิสนธิวิญญาณใช่ไหมพราะนำปฏิสนธิในภพสามมาให้ไม่ใช่ปฏิสนธิที่วิญญาณอย่างเดียวเป็นปฏิสนธินามรูปด้วยเราก็จะเห็นว่าโอ้ตัวตัวกรรมนี่ก็เป็นตัวสังสารวัตรตัววิบากก็เป็นตัวสังสารวัตรตัววิชาก็เป็นตัว สังสารวัตรแต่จะเป็นสังสารวัตรในส่วนของกิเลสสังสารวัตรในส่วนของตัวกรรมสังสารวัตรในนส่วนของวิบากสรุปก็คือว่ากิเลสกรรมวิบากใช่ไหมที่ไปบอกว่าเป็นวัตะสามมันวนนี้แต่แท้ที่จริงสรุปแล้วก็คืออันนี้คือเป็นเรื่องของความเป็นไปของขันธ์ธาตุอยายตนะที่มันกาลังเกิดขึ้นสืบต่อกันโดยไม่ขาดสาย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 เมื่อการประชุมกันของสังขารละโลกที่เป็นไปของส่วนของขันธ์ธาตุตยตนะกรลังดำเนินไปอยู่นั้นนะ่ะความสมมุติว่าสัตว์บุคคลหญิงชายจะเกิดขึ้นจึงเรียกว่าสัตว์ตวโลกและสังขารละโลกเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีภาชนะโลกภาชนะโลกก็คือภพคือภูมิต่างๆโดยสรุปว่าโลกสามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไปในส่วนของสังขารลโลกสัตว์โลกแล้วก็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 เห็นทั้งตัวสรรังสา ร, รวัตเห็นทั้งเหตุของสังสารวัตเห็นทั้งความดับของสังสารวัตเห็นทั้งข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับไปของสังสารวัตรจะพูดในส่วนของปุกาลาทิฏฐานหรือธรรมมาทิฏฐานเห็นอย่างตเนี้ยนี่โลกวิทูนี่แหละสังสารวัตเห็นโลกวิทูแบบนี้ใช่ไหมตัวโลกาวิทูฮะรู้แจ้งโลกเนี่ยพยานของพระเจ้านาะมาเห็นสังสารวัตรแบบนี้คือเห็นโลกเห็นความเป็นไปของโลกสาม มองออกแล้วทีนี้ในลักษณะอย่างนี้ก็คือว่ากาวริงกาลาหานผัสสาหารมโนสันเจตนาหารวิญญาณหารอะไรนำ ก, า ว, กาวริงกาลาหานเนี่ยนะนำอะไรมานำโอชานำดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชาธาตุนำอวิธิโพครูปแปดในส่วนของวิตามินทั้งหลายเข้าไปหล่อเลี้ยงอะไรรู ป, ปากายของสัตว์โลก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 ถ้าไม่รู้สสังตัวสังสารวัตรแล้วไม่ีรู้เหตุของสังสารวัตรจะจะดับทุกเด้งเราจะดับสังสารวัตรยังไงเมื่อดับับสังสารวัตรไม่ได้ก็เพิดเพลินในสังสารวัตรยินดีในสังสารวัตรนี่เป็นสังสารวัตรไหมเห็นไหมเห็นสังสารวัตรกาลังเดินไหมเห็นไหมหน้าชินชมไหมหน้าไหมหน้าชินชมไหมฮะเล่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 นี่เราเห็นแล้สังสารวัตเป็นอย่างนี้เองแล้วเดินอยู่นะตอนนี้ขั น, น, น ธ, ธ์ยตนาธาตุกําลังเดินอยู่ไหมกาลังเปลี่ยนไปอยู่ใช่ไหมเห็นไหมล่ะเห็นสัจจะตัวนี้นะเห็นความจริงตรงนี้ไหมเห็นสังสารวัตตัวนี้ไหมถ้าเห็นเขียนสังสารวัตรได้ใช่ไหมเริ่เห็นนะเออ น, นีย่ยแหละต้องวิจัยให้ได้ ถามว่าทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนะ่ยทางทวานตาเนี่ยสังสารวัตเดินอยู่ไหมอาศัยตาแล้วลูกกับจกักรุญญาอยู่ไหมเดินอยู่ไหมทางทวานหูทางจมูกทวานลิ้นทวานกายทวานใจสังสารวัตรเดินแล้วหยุดไหมไม่หยุดนะี่ยง้จิตติหยุดไห ม, ไมปฏิสันที่ต่อเอาละสิแล้วจะไปหยุดจะไปขาดตอนที่ไหนสังสารวัตกลุ่มขันนี้ธาตุนี้อยนายตนะนี้จะไปขาดหน้าที่ไหนไใช่ไหมถ้าไม่ได้อุปบาทาบาลีนิพันธ์ เมื่อไรถ้าไม่อนุปาทาปรินิพานเมื่อไรนะขันนี้อัฏฐานี้อายตนะ น, นี้ก็จะต้องเดินไปในสังสารวัฏเรื่อยๆแต่จะไปเดินในอัตภาพไหนสัตว์บุคคลอะไรว่าไปปัจจุบันพรานพ่อไม่เดินในฐานะเป็นมนุษย์ถามว่ารักษาสถานภาพเป็นมนุษย์ก็ยากแล้วแค่การจะอยู่ในชมพูทวีปยังแสนยากดังที่ได้กล่าวใช่ไหมเพราะแสนกว่าจักรากาวาลมีสัตว์อยู่หมดอนะ เอาสิท่องเที่ยวไปมาไงไปสิญาตมิตรทั้งอยู่อีกเยอะคอยอยู่หลายภพภูมิคิดไหมว่าข้างหน้าเนี่ยเราจะไปยังไงคิดไหมก็คิดเพียงว่าพรุ่งนี้จะได้ศึก น, นั้นเอง <laughs> เพื่อจะได้ไปสางสัรสารวัตรเพื่อจะได้ไปทำสังสารวัตรให้ยืดยาวต่อไปใช่มะนี่ก็แค่นั้น อะไรนะปกปิดทำไมสมณเณรลาหุนเจดขวบบรลุต้องคิดที่เพราะอัธยาศัยเขาดีใช่ไหมอัธยาศัยเขาสั่งสมมาดนีนางวิสาขาทำไมบรลุตั้งแต่เจ็ดขวบแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นความต่างของบุคคลของสังสารวัตของบุคคลของของแต่ละบุคคลที่กำลังเดินอยู่ใช่ไม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 กลุ่มที่กำลังจะน้อมตนเองเป็นอริยะชนกับกลุ่มที่ที่จะน้อมตนเองออกจากความเป็นอริยะคือกลุ่มหนึ่งต้องการจะขดสังสารวัตตัดสังสารวัตแต่อีกกลุ่มหนึ่งต้องการที่จะทําให้สังสารวัตนั้นไม่มีไม่มีที่สิ้นสุดมนุษย์เนย่งอยู่สองกลุ่มสัตว์โลกก็มีอยู่สองกลุ่มเราเราจะเดินอยู่กลุ่มไหน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 การตั้งอธัธยาศัยใหม่มันต้องเกิดบ่อยๆแต่ถ้าเราบอกว่าเราไม่กลัวแล้วเรื่องสังสารวัฏเราก็เกิดมาอย่างยาวนานอยู่แล้วและเราก็ไม่เห็นทุกข์อยู่แล้วเนี่ยโดยปกติอธัธยาศัยเราก็ไม่ได้น้อมออกจริงๆกลางๆอยู่แล้วเนี่นะเราต้องการทําบุญแต่ต้องการทําบุญแบบประเภทวัตรคาเมนีประเภทที่จะต้องสืบสาวัตาไปเรื่อยๆเพราะเราไม่รู้เบื้องต้นและที่สุดอยู่แล้วเราก็จะทำเราไปเรื่อยๆคอยเป็นคอยไปของเราก็ว่าไปใช่ไหมก็เอาเอามุมนั้นให้ชัดไปเลยว่าเรานี่แหละจะเป็น วัตคาวินีบุคคลจะเป็นบุคคลที่เป็นไปในวัตะ์ใช่ไหมเหมือนพระโสดาบันเนี่ยมีสองกลุ่มใช่ไหมวัตถะพิระตะโสดาบันนไอันนั้นนะ่ะคาว่าวัตถะพิระตะโสดาบันแปลว่าท่านปิดใบพภูมินะนั่นคือกลุ่มที่ต้องการอยู่กับวัตะแต่ท่านก็อยู่ไม่นานหรอกแต่ท่านต้องการอยากจะดู ต้องการอยากจะไปกับวัตตะเพราะท่านรู้ว่าความเจ็บปวดจากการที่เกิดในบบพภูมิท่านไม่ได้อีกแล้วตั้งแต่ดอนนั้นเป็นต้นไปท่านก็เลยประเภทที่ยินดีในวัตตะแต่ท่านไม่ได้วินดีในเหตุทีมาสังสาระนะท่านยินดีในอุปริมาสังสาระเป็นส่วนใหญ่คือท่านจะไปเบื้องสูงเราถ้าจะยินดีขอให้ได้มักต้นก่อน หดสังสารวัฏลงก่อนอยากยินดีก็ยินดีได้ใช่ไหถ้าเรายังบอกว่าแม้เราจะเอาแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยแล้วก็ไม่ไหวเงี่ยนะก็เดินกลุ่มนี้ไปเขามีอยู่อย่างนี้ไปต้นอันนี้คือเป็นพ่ายระยะแต่ยินดีวัฏตะแต่ก็มีไม่มากเลยแต่มีนี้ไม่ยังไม่มีเพราะขึ้นเชื่อวัตะมันก็เป็นเรื่องความเจ็บปวดใช่ไหมแต่แน่นอนที่สุดก็คือว่า ถึงไม่ต้องมาแยกข้างแยกอะไรงนี้ต้องการพูดในกลุ่มที่จะศึกษาพระธรรมเพราะกลุ่มหนึ่งเขาไม่คิดมุมนี้กันอยู่แล้วเพราะเขาก็คิดว่าชีวิตเขาไม่มีอะไรมากอยู่ไปวันโน้นวันนั้นทอะไรอยากทำอะไรก็ทำโกรธใครก็ดา่าใช่ไหมชอบใครก็ยิก็ยอยู่เนี้ยเขาไปอยู่กับวิชาและโทมนาสอวิชาโท ม, มินาสมหะก็ปิดอยู่เนี้ยก็เป็นอัจยาสายของเขาอยู่แล้วอันั้นก็ว่าไปพอโดยส่วนมากก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ในกลุ่มที่จะออกกลุ่มที่เห็นโทษเห็นภัยของวัดตาพอสมควรก็มา ตรึกมาไถ่ครูนให้มากเพื่อจะได้เป็นบันไดเป็นปัจจัยในการที่จะเดินทางให้มันชัดนี้พูดถึงในเรื่องของคําว่าอาหารฉะนั้นตัวมโนสัญเจตัวผัสตัวกัวริงกลาอาหารภัสสะอาหารมโนสัญเจตนาอาหารและก็วิญญาณอาหารตัวนี้เริ่มเห็นเนาะเห็นว่าตัวเกี่ยวในเรื่องของกัวริงกลาอาหารเนี่ยนำโอชาเป็นที่แปดมาให้ ภาษาหานําเวทนาสามาให้มโนสัญเจตนาหารก็นําปฏิสนธิในพบสามทีนี้เวลาท่านกล่าวท่านจิมกล่าวบอกว่าตัวไทยเนี่ยนะท่านให้เห็นตัวกวริงกลาหานเหมือนอะไรให้เห็นภาษาหารเหมือนอะไรให้เห็นมโนสัญเจตนาหารเหมือนอะไร และให้เห็นวิญญาณอาหารเหมือนอะไรใช่ไหมพอท่านพูดถึงอัตถะเหตุผลการอธิบายในเรื่องของอาหารแล้วท่านก็อุปมาเลยอุปมาอย่างไรบอกว่าเคยเห็นอาหารที่หยอดเข้าไปในร่างกายจริงๆเนี่ยเหมือนสองสามีภรรยากินเนื้อบุตรไหมถามใจที่จริงๆเห็นอย่างนั้นจริง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 พุตะมังสาสูตรในสังยุตตะนิกรีท า, านวัค ก, ก็ต้องเอามาดูใช่ไหมนี่ไงมันจะได้เห็นภัยของสังสาวัตก็ต้องเอามาดูเอามาเชื่อมดูแล้วก็มาวิจัยดูว่าเออคุณเห็นอย่างนี้ไหมดูในชั้นของพระบาลีดูในชั้นของอัจรถาฉชั้นของอัจฉท่านขยายไวมากก็จับเชื่อมโยงติดปฏิปติปต่อให้เห็นชัดแล้วยิ่งเคยบรรยายไวแล้วก็ไปตามดู แล้วเอ า, ม า, ม, ามาเชื่อมโยงดูแล้วจะเห็นว่านี่ไงโทษของกวฎิน迦รานถ้ามองไม่เห็นอย่างนี้ก็ไม่เห็นทุกข์สัตรย์ของสังสารวัตรแต่จะมองเห็นเห็นทุกข์สัตย์ภาษาอาหารก็เหมือนกับมิโคถูกถลกหนังออกว่าจะทรมานสักปานใดที่จะต้องคอยหลบมแมลงทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายภาษาทั้งหลายที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นเนี่ยกายใจเนี่ยมันเป็นนําทุกข์มาให้ใช่ไหมมันเป็นความทุกข์มันเป็นความเจ็บปวด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 แต่เราทำไมไปยินดีเวทนาทำไมไม่ยินดีการดับเวทนายินดีเวทนาก็ยินดีตัววัตะแท้เนี่ยตัวสังสารวัฏแท้เนี่ยอะไรมันดนใจให้เราไปยินดีตัวเวทนาไอ้สุขเวทนาก็ไม่เที่ยงก็ยังไปยินดีสุขเวทนาไอ้ทุกเวทนาก็อย่างกระลูกสอนเราก็ไปยินดีในทุกเวทนาอุเบขาเวทนาก็เป็นของที่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ยังไปยินดีมันอยู่ คำว่ายินดีเนี่ยเชื่อไหมบางทีเรายินดีให้คนอื่นได้รับสุขเวทนาบางทีเรายินดีให้คนอื่นได้รับทุกขเวทนาเราก็ม่รู้ตัวบางทีเรายินดีให้คนอื่นได้รับเวขาเวทนาและสรุปก็คือว่าเมื่อสุขเวทนาเกิดขึ้นกับเราเราก็พยายามจะเอาสุขให้อยู่กับเรานานๆทั้งๆ ท, ท, ที่มันทําไม่ได้มีมนุษย์หน้าไหนนะหรือมีสัตว์พวกใดละ่ะ อยูกับสุขเวทนาได้อย่างขาวนมีไหมมีไหมเพราะสุขเวทนานั้นเป็นวิปริณามทุกแต่ทําไมสัตว์โลกติดสุขเวทนาเพราะมันให้อสสาทะในส่วนที่เป็นวิบากในส่วนที่เป็นเกิดร่วมกันเกิเลตใช่ไหมถ้าถามว่าไอตัวสุขเวทนาเนี่ย สัตว์โลกยินดีสุขแม้แต่ทั้งระดับอุเบกขาเลยยันอุเบกขาในรูปแบบภพอุเบกขาในปัญญโวการภพทพี่ยินดีขนาดนั้นแล้วยินดีก็ไปเซอร์ไวติดกันอยู่นั่นแหละหนักที่ยังหยาบๆเลยก็ยินดีสุขเวทนาในกามภพและสัตว์ทั้งหลายที่เร่าร้อนกันอยู่เนี่ยวิ่งกระเสือกกระสนกันอยู่เนี่ยนะก็เพราะอะไรเพราะการต้องการเวทนาใช่ไหม ถามว่าที่เราเราแสวงหาทรัพย์แสวงหาหารกันอยู่เนี่ยมันเป็นความเก็บปวดนะจริงๆแล้วแต่สัตว์ก็ไม่รู้สัตว์หวังอะไรกันเนี่ยแสวงหาทรัพย์เนี่ยสหวังอะไรสุขเวทนาถ้าไม่มีความสุขไม่ทำํำนะที่มันทํางานกันอยู่เพราะได้ความสุขเพราะตนหรือหวังว่าตนเองจะได้ทําไมเราเรียนแล้วก็ปราถนาว่าเราจะได้ความสุขจากการเรียนทําไมเราฟังทำ ใช่ถ้าตั้งบอกเพื่อสุขเวทนาตั้งผิเดเลยใช่มเพราะไปตั้งวั ต, ตะไว้ทำไมพื่อทีเจ้าสอนให้ออกจากตัวเวทนาให้รอบรู้เวทนาให้เวทนามาไขาควนะถามว่าเวทนาเป็นวัตถะไหมเป็นสังสารวัฏใช่ไหมเวทนาที่มันกำลังเดินอยู่นั่นคือการเดินไปของขันใช่ไเวทนาเป็นเวทนาขันใช่ไหมได้อายตนะเป็นธรรมายตนะโดยธาตเป็นธรรมธาตุ นั่นคือการเดินไปกองขันธ์ธาตุอายตนะกําลังดําเนินไปอยู่ใช่ไหมแล้วเห็นไหมว่าเวทนากําลังเคลื่อนย้ายแต่ละครั้งแต่ละครั้งว่าตัวสังสารวัตรมันเดินอยู่ถ้าเห็นนั่นเข้าใจสังสารวัตรทีนี้ถ้าในส่วนของผัสสะก็เป็นตัววัตะ์ใช่ไหมในส่วนของมโนสัญเจตานาอาหารไอตัวนี้เห็นให้สังเกตตัวกรรมอะ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 ก็ต้องการความไม่ได้รับความชื่นชมจากการที่ได้ลายล้ำงามนั่นแหละใช่ไหมสตรีก็ต้องการอวดสรีแล้วการจะอวดได้ก็ต้องทําให้ผอมเพื่อให่เป็นที่ชื่นชมสันสตรีมหามาล ก, ก็หลงในรูปของสตรีนะี่ดูเพลิดเพลินมากแล้วก็เมาสละต่อมาเธอไล่ล้ำไปไล่ล้ำมาก็ลมก็ตัดขัว้วหัวใจก็ตายนี่นะทุกเวทนาโทมนัสเกิด อเราที่ดื่มเข้าไปก็เกลี้ยมหายเกลี้ยงโทมนัตมาแทนนึกถึงพระาศาสดาพอไปถึงพระาศาสดาก็เธอมาถูกแล้วตถาคตตรัสรู้นุตตะสมมาสัมปทิยานมาก็เพื่อดับทุกโทมนัตของสัตว์ใช่ไหมฉะนั้นถามว่าเวลาเราเกิดทุกโทมนัตเนี่ยเพราะไอ้ตัวเวทนาทั้งหลายเนี่ยเป็นตัวเบียดเบียนเนี่ยเราเคยโทษเวทนาไหม เราเคยโทษเวทนาไหมเคยไหมเราโทษใครโทษใครเราจะโทษว่าท่านผู้นี้ทำให้เราทุกข์ท่านพู้นี้ทำให้เราสุนั่นคือไม่เห็นสังสารวัฏผู้มืดบอดในสังสารวัฏผู้จมอยู่ในสังสารวัฏใช่ไหม ยินดีเพิดเพลินมืดบอดในสังสารวัตรไม่เห็นว่าตัวเวทนาเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนอยังไงให้กําหนดรู้ให้รอบรู้เวทนาเป็นผลหรือเป็นเหตุสมณสะเวทนาไม่เที่ยงโทมณสเวทนาไม่เที่ยงอุเบกขาเวทนาก็ไม่เที่ยงใช่ไหมแล้วก็เป็นผู้เป็นอนัตตามหมดเลยนี่นะ